ชาญมากโยมหลุงตาครับขอชาญมากหลุงตาอย่ายุ่งอย่ายุ่งของไม่เป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นประโยชน์เราสอนแล้วนั่นมาขออะไร ของเศษเศษเด่นๆของทิ้งาศาสนาพุทธเราเป็นาศาสนาที่เลิศเราคอยแต่จะเอาของปลอมๆเข้าไปแทรกชาญมากนี่น่ะของปลอมเทศอย่างนี้ก็เป็นหรือ เรื่องขบขันคราวหนึ่งในช่วงที่ท่านหลวงตามหาบัวมีธาตุขันแข็งแรงดีอยู่และเป็นระยะที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดียังมีชีวิตอยู่นั้นหากมีเหตุให้ท่านไปแสดงธรรมที่วัดภูดที่สมพรท่านเจ้าคุณมักจะเดินรอบบริเวณและประกาศว่า ใครอย่าพูดนะเราจะฟังเทศมหาบัวนะเราจะฟังเทศมหาบัวนะใครอย่าพูดเป็นอันขาดนะในบริเวณ น, นั้นจึงเงียบหมดจากนั้นท่านเจ้าคุณก็กลับมาประจำที่ และตั้งใจฟังเทศแบบกรรมฐานคือหลับตาฟังด้วยความเคารพในธรรมโดยไม่ถือตัวว่าเป็นพระอุปชาอาจารย์ของท่านมาก่อนแต่อย่างใดเลยมิหนำซ้ำท่านเจ้าคุณยังชมเชยลูกศิษย์บ่อยๆด้วยว่าค่อยพูดตามความจริงนะบัวเจ้าเทศแหม มันถึงใจค่อยเหลือเกินว่าไม่อึไม่อะไหลไปเลยแต่ถ้าหากไม่มีปัญหาเทศค่อยยกให้เจ้านะบัวแต่ถ้ามีปัญหาแล้วการตอบปัญหาจเจ้าเป็นที่หนึ่งมันถึงใจค่อยเหลือเกินนะบัวตอบรวดเร็วที่สุดปั๊บเลยใส่ปั๊บปับ๊บทราบกันว่าพระอุปชา เคยแต่ฟังเทศของท่านแบบกรรมฐานเท่านั้นไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าท่านจะเทศธรรมะแบบมีเรื่องขบขันได้ด้วยคราวหนึ่งพระอุปชาเอาตัวท่านไปเทศที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมผู้ฟังโวยมากชอบเล่นบัตรเล่นเบอร์กันการเทศ จึงต้องมีตลกขบขันบ้างตามลักษณะผู้ฟังท่านเล่าแบบขบขันให้พระเนนฟังดังนี้อะไรก็ไม่ขบขันเหมือนเอาผมไปเทศที่ท่าอุเทนนั่นแหละผมเคยพูดให้หมูเพื่อนฟังตั้งแต่นั้นมา พอท่านเจอหน้าผมที่ไรท่านจะต้องเอาเรื่องนั้นขึ้นทักทายก่อนเพราะท่านไม่เคยได้ยินผมเทศอย่างนั้นเทศเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอะไรเทศให้ขบให้ขันพวกนี้หัวเราะกันลั่นตลอดกันเลยท่านเจ้าคุณ น, นี้หัวเราะจนแทบล้มแทบตายจริงๆนะผมเทศจบแล้วเขาก็ขอร้อง โอ้ยอย่าดวนจบอย่าดวนจบก็มันหมดดินระเบิดแล้วบางไฟมันก็ลงเรื่อยๆมันก็จบของมันลงมาจากธ ร, รมาทแล้วท่านเจ้าคุณยังหัวดินล้มดินตายอยู่สิพอลงมาผมกราบพร ะ, ะแล้วท่านก็ยังหัวอยู่บัวเจ้าเทศอย่างนี้ก็เป็นหรือบัวบัว ค่อยบัวเคยได้ยินเจ้าเทศอย่างนี้หัวรอแทบล้มแทบตายตั้งแต่นั้นมาเจอผมททไรมหาบัวเทศอย่างนี้ก็เป็นมหาบัวเทศอย่างนี้ก็เป็นพวกนี้มันชอบบัตรชอบเบอร์เล่นบัตรเล่นเบอร์เราก็เทศเรื่องบัตรเรื่องเบอร์เทศมีตลกหกขันสิ